ตอนหลังรับราชการนา น, นะเบื่อแล้วเลยลาออกไปอยู่องค์การโทรศัพท์อยู่กับพุ่มหน่วยการเวลาเขียนเปเปอร์นะเขียนง่ายมากเลยอ่านข้อมูลฟังข้อมูลนะแค บ, บเยอเขียนออกมาแล้วพุ่มหน่วยการมายืนรอเซ็นเลยทำไมเราทำงานได้ง่ายขนาดนั้ น, นสมาี่เราดี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 โอกาสโกมันน้อยลงเหลือแต่งโง่ไม่ชัว่วถึงอาจจะยังโง่อยู่ต้องสอนอยู่โลกโลกนี่เต็มไปด้วยของหลอกลวงมันกระตุ้นกิเลสการหลอกลวงไม่มีวิธีอื่น้องมีแต่เรื่องกระตุ้นกิเลสทั้งหมดเลยกระตุ้นความโลภให้เราอยากได้นอนอยากได้นี่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 ฐานของความหลุดพ้นนั้นก็คือศีลสมาธิปัญญานี่นเองคนโบราณฉลาดนะสร้างสั ญ, ญลักษณ์ขึ้นมาเงิ้เบื้องต้นนะรักษาศีลไว้ก่อนไม่ต้องศีลแหรอกศีลห้าก็พอศีลหก็รักษายากแล้วโดยเฉพาะข้อสพูดเพอเจอพูดเพิอเจอศีล่ดังพลอยแะพูดเพอเจอพูดไม่จาเป็นต้องพูด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 ไม่ได้มีอย่างเดียวสมาธิยังมีอีกชนิดหนึ่งคือสมาธิชนิดตั้งมั่นสมาธิสงบเนี่ยเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวที่มีความสุขเอาไว้พักผ่อนได้พักผ่อนเวลาเราทำงานหนักๆนะเราต้องพักผ่อนเราถึงจะมีแรงทำงานจะทำกรรมาฐานนะถ้าเรามีสมรถะมีเป็นที่พักผ่อนให้ใจสงบเป็นช่วงๆไปใจก็มีเรื่องมีแรงเรียกวาวนา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 ดูไปร่างกายสุขร่างกายทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตใจสุขจิตใจทุกข์จิตใจเฉยๆก็ไม่เที่ยงจิตใจเป็นกุศลจิตใจเพนากุศลก็ไม่เที่ยงจิตมันโลภมันโกรธมันหลงโลภก็โลภชั่วคราวโกรธก็โกรธชั่วคราวหลงก็หลงชั่วคราวไม่มีหรอกโกรธสาวนวลไม่มีหรอกโลภสาวนวลเนี่ยมาคอยดูลงในกายในใจของเราให้เห็นมีแต่ของชั่วคราว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 แค่นั้นเองเดินไปเห็นสาวสวยใจมันชอบคนทั่วทั่วไปมันก็จะไปดูสาวนัปฏิบัติต้มารู้ทันว่าใจกาลังมีราคะอยู่ใจชอบเราะลรู้ก็รู้ได้แต่ไม่รู้ไม่ยอมรู้ว่าแต่สนใจออกนอกงื้นเรามาสนใจที่จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากๆไม่ยากอะไรที่จะรู้เลย